ยกตัวอย่างนนะในส่วนที่เป็นเนคขมวิตกเนี่ยสับตรงเนี่ยอมถึงวิปั ส, สนาไว้ด้วยเนะอมถึงวิปั ส, สนาเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยที่ท่านเจริญนะท่านไม่ได้มานั่งแยกว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามะนะเพราะฝีมือระดับนี้ไม่ต้องละคือคือท่านเข้าใจอะไรชัดเจนหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะตามเห็นนะขันทั้งห้าเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยง อันนี้จานุปัสนาตามเห็นขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะเบื่อหน่ายแล้วก็ทำให้ดับใช่ไหมวิราคะคลายกำนัดแล้วก็สละคืนทีนี้อนุปัสนาที่เจริญไปอย่างนี้นะโดยเฉพาะเนคขมวิตกเนี่ยถ้าน้อมจิตไปอย่างนี้ถ้าสุขภาพกายไม่ค่อยดีมจะเหนื่อยแล้วพระพุทธเจ้าเป็นเป็นบุคคลชนิดอุพโตภาควิมุต ไม่ใช่กลุ่มปัญญาวิมุตตเพราะฉะนั้นจะสมถาวิปั ส, สนาจะต้องควบคู่กันไปตลอดเนะคือการเจริญธรรมะในาศาสนามันจะแบ่งแบ่งสองอย่างคือพวกกลุ่มสายอุปโตภาคาวิมุตตเนีย่ยนะคือบรรลุโดยส่วนสองกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เป็นปัญญาวิมุตต์กลุ่มปัญญาวิมุตต์นี่ก็แบ่งออกผู้ที่ได้ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ที่สี่ แล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้ฌานเจริญแต่วิปัสนาล้วนๆจนได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะแต่ของพระองค์นี้เป็นกลุ่มอุพโตภาควิมุตเข้าฌานทุกฌานแล้วจากทุกฌานเจริญวิปัสนาได้หมดเลยเนี่ยนะเจริญอนุปัสนาเจ็ดกับทุกฌานหมดเลยเนี่ยนะไม่มีส่วนเหลือ แล้วก็เข้าสเข้าสมาธิในนั้นอธิบายทำไมถึงชานเลยนกะ็เข <c oughs> ้าชานเลยแต่แตทีนี้ผมจะน้อมปรับมาว่าถ้าเผื่อเป็นเราเรนะ่ เร า, เ, าเราทำตรงนี้เอายกตัวอย่างแค่อ่านพระไตรปิอกอลันนาเข้านานเข้าเราก็จะบื่อแล้วนะเริ่มเริ่มเีแล้วเนาะเจนครับเบี้ยเริ่มฟุม้งแล้วตอนนั้นชักไม่ค่อยจแล้วทีนี้เราก็จะมาเข้าเข้าสมาธิบางสักพักนึงเพื่อที่จะหวังให้มันพักได้เนะี่ยหรือเราเรื่อราเข้าฌานไม่ได้อนะแล้วเราเข้ายัางไงอ่ะนี้ก็ไปนั่งก็ฟุ้งต่อนั่นน่ะนั่งฟุ้งอีกนั่งฟุ้งต่ออีกอ่ะแล้วทำไงทีนี้ก็ต้องรู้กับอารมณ์ก็เปลี่ยนนะก็ ก็เอางี้นะคุณหาสัปพายะให้พบไปแล้วกันเพราะฉะนั้นก็บอกว่าส่วนเราเนี่ยจะรู้ด้วยตัวของตัวเองว่าอิริยาบถไหนที่มันเหมาะแม้ว่าถ้าเจริญหรือไข้ครวญไปแล้วนะมันฟุ้งบางคนก็แก้ด้วยการไปเดินก็ไปเดินตรึกไอ้เรื่องเก่าแค่เปลี่ยนอิริยาบถนะคือก็ก็เปลี่ยนแล้วเพราะว่ารูปนี้ถือว่าเป็นอุปนิสัยที่สําคัญต่อต่อความคิดนะเพราะรูปที่ เ, เช่นอิริยาบถนั่งนานๆเกินไปเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความฟาุ้งซ่านเนี่ยนะก็ไปเดินเพราะฉะที่สําคัญเนี่ยการเจริญกุศลธรรมในอิริยาบถสี่ต้องชํานาญไม่ไม่ใช่เฉพาะคัดเลือกว่าอ เ, เอาอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งขอหมายถว่าเรื่องเดิมนั่นแหละแต่ว่าเพี้ยนระยะเพี้ยนอิริยาบถก็ช่วยได้ได้แต่ก็พยายามฝึกเจริญกรรมฐานสข้อนี้เอาไว้เป็นทุนสํารองเนี่นยนะสข้อ สัพพตะกามัฐานอันนี้คนละอาจารย์กันนะคนละสายกันสัพพะตะกรมฐานคือหนึ่งพุทธานุสติเเ oh. มตตา อาสุภะแล้วก็มรณนะเนี่ยโดยทั่วๆไปนะพอเจริญไปมากๆแห้งแรงแห้งแรงไอ้แห้งแรงมว่ามันชักเบื่อแล้วนะมันชักเบื่อแล้วทำไงกันนี ก็ไปเจริญพุทธคุณเนี่ยนะเช่นไปเจริญตอนใดตอนหนึ่งก็ได้ตอนเป็นพระโพธิสัตว์หรือตอนไหนที่พระ อ, องค์ปาราบความเพียนเนี่ยนะก็คือเอาพระ อ, องค์มาเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอีกศัพบหนึ่งเรียกว่าอารติมันจะเกิดอารติหรือรติมันจะเกิดนะอารติแปลว่าไม่อยากเจริญกุศลและไม่อยากอยู่เงียบๆแล้วรติมันเกิดบอกว่าต้องการหาพวกแล้วนะ นะต้องการเพ้อเจ้อดีละชานคาถาอะไรก็ว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะสองอย่างเนี่ยมันก็ไปเจริญพุทธานุสติหรือพอเจริญเจริญไปมานะเอ๊ะทำไมไอ้คนนั้นมันดาเราทําอะไรคนระับวันนั้นเอ๊ะทำไมเขาทาหน้ากับเราอย่างนั้นไอ้วันนั้นนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะเริ่มและพวกนี้ก็หันไปเจริญเมตตา น, นะนะเพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นปฏิฆะนิมิตนะมันจะมาหมดเลยที่ที่ที่ตอนนั้นนะ ไปขาดเมตตาเอาไว้นะีมันจะเป็นอุปนิสัยให้มาแวบขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็แก้ด้วยเมตตานะเจริญเมตตาหรือว่าอยู่ๆขึ้นมานะอ๋อคนนั้นก็ไม่เบาเนี่สวยดีนะเนี่ยทำยังไงกันดีก็แก้ด้วยอสุภะกรรมฐานหรือเจริญไปเจริญมานะในบรรดาคนเจริญเนี่ยเราเนี่ยดีกว่าเพื่อนหมดเลยพวกนั้นก็ไม่มีใครเท่าไรนะของเราเนี่ยผมเจริญได้ทั้งวันทั้งคืนเราเนี่ไม่ธรรมดา เพราะฉะนั้นก็คิดเรื่องตายมากๆถึงเจริญก็ไม่พ้นความตายอะไรนั่ะก็แก้ๆเอาไว้นะพวกกรรมฐานเหล่านี้เอาไว้แก้เครสแล้วก็ไปเจริญอะไรสิ่งที่เราชอบชอบนะแต่ว่า4ี่ประการเนี่ยเอาไว้แก้เครสเอาไว้แก้ขัดแก้ยอกอะไรทั่วๆไปเนี่ยที่บอกว่าถึงเราเกิดความฟุ้งเฟ้อเนี่ยติดถึงโทษแล้วก็ก คนเนี่ยไม่ไม่ใช่ตึกถึงกรรมฐานในส่วนที่เป็นอสุขาหรือเมตตาที่ว่าเป็นนิกรมันี่ไม่ใช่เพราะว่าถ้าก็เป็นว่าใหม่นะว่าตั้งกระแรกใหม่นะเพราะยัญชนะฟังไม่ดีที่ว่าตึกแล้วฟุ้งซ่าเนี่ยที่เธอเขา <พบ S 2> ฟุ้งเนี่ยตามสูตรเนี่ยหมายว่าพอตึกไปมากมากมากๆมากทั้งวันทั้งคืนนะนะตามสูตรเนี่ ย, ยว่าทั้งวันทั้งคืนร่างกายมันเหนื่ยยอย พอร่างกายมันเหนื่อยมันก็จิตมันก็ฟุ้งขึ้นนะนะมันฟุ้งขึ้นคือมันเจริญต่อไปอีกไม่ได้นะมันฟุ้งมันฟุ้งขึ้นนะนะมันคือเคยต้องไม่ลืนนะว่าจิตที่มันเกิดขึ้นมันมีอุปจัยหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายปกติตอนที่เหน็ดเหนื่อยนะวันนั้นก็เพลียใช่ไหมโดยปกตินะถ้าถ้าก่อนโน้นโน้นเลยนะชีวิตที่ผ่านมานะวันไหนที่ไปทํางานอะไรที่มันเหน็ดเหนื่อยมามากๆอ่ะปกติชีวิตคนจะเป็นยังไง ข้าวก็ไม่อยากกินคุยก็มาอยากคุยใช่ไหมมันเบลอมันลักษณะแบบนั้นน่ะนะท่านก็ก็แกนะ้ซะแก้ด้วยการเข้าฌานทีนี้พระโพธิสัตว์ท่านฝึกจนชํานาญแล้วนะก็เจริญสลับไปสลับมาสลับม า, ส ล, บมาสลับไปสมถาวิปัสสนาเนี่ยควบคู่กันไปตลอดมั้นถ้าจากสูตรนี้ทําให้เห็นว่าท่านเจริญสมถาวิปัสสนาโดยมาก6ปีเนี่ยหกปีเนี่ยสมถาวิปัสสนาควบคู่กันมาเกือบตลอด แต่ว่าไอ้อปาทกะชานชานที่ไม่ลมหายใจหรืออัตตกิละมัฐานุโยกอันนั้นคือส่วนของร่างกายเนี่ยนะนั่นคือส่วนของร่างกายแต่ส่วนของจิตใจของท่านเจริญสมถะวิปัสนาแม้กระทั่งวันวิสาขะปุรมีเนี่ยนะกลางวันท่านเข้าสมาบัติดยมากวันที่จะบรรลุนะก่อนที่จะมามานั่งโพธิที่บัลลังนะกลางวันวันนั้นเนี่ยท่านอยู่ในป่าเข้าสมาบัติซะส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าเป็นตามตามสูตรนี่นะครับไม่ได้กล่าวไม่ได้บอกว่าเข้าฌานอะไรแต่รู้กันว่าถ้าใช้คําว่าฌานเนี่ยเป็นคําที่กว้างกว้างแต่ถ้าระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยหรือพระโพธิสัตว์นะหายากที่อารมณ์ไหนท่านเข้าฌานไม่ได้ถ้าว่าเหตุผลทั่วทวไปเลยนะลองหาสีที่มันไม่เป็นกสินดูสิหาสักเนี่ยที่ลืมตาเห็นเนี่ยมันจะได้ไหมมีไห ม, มเ น, นี่ยนะผู้ที่ที่ฝึกชํานาญในวันณักะสินมาดีนะเหลือไปเห็นดินท่านก็สายใจถึง ดินได้แล้วเห็นน้ำเนี่ยท่านก็เข้ากระสินน้าได้แล้วนี่นะเห็นลมไหวๆหน่อยท่านก็เข้ากระสินลมได้แล้ว น, นะนะพอเห็นไฟหน่อยลุกเปลเวมานิดหนึ่งหรือแสงหิ่งห้อยเนี่ยท่านก็ปารถนิมิตอันนั้นนะอะไรที่มันใกล้กันนะมันชํานาญก็ชํานานเหมือนอะไรเห็นเราเห็นหน้าคนนะเห็นหน้าคนนี้ทําไมมันเหมือนคนนั้นเราคิดจนชํานานเลยเอ๊ะทำไมมันเหมือนคนนั้นเลยอน่ะเนีเราก็คิดในตามภาษาของเราคนที่ฝึกจิตเรื่องเรื่องจิตเนี่ยมากๆเขาจะชํานานในเรื่องนี้นะชำนาญที่จะคิดแบบนั้น เพราะพอเข้าแก้เพราะเห็นโทษของบาปอกุศล ใ, ในขามาวิตกในหมายถึงอะไรในขามาวิตกตรงนี้ต ร, ตรงไหนตรงตร ง, ตรงที่กล่าวไปคือไม่ใช่การมาวิตกอ่ะครับอันไหนกถ้าเป็นอาตุพานเนี่ยก็สามารถเข้าชาปต์ต่อได้เลยทำไมถึงเป็นเหตุให้ร่างกายเหนื่อยและพุงสั้น คำว่เนคคำมะตรงนี้เป็นคำที่กว้างเมื่อกี้เนี่ยผมยกวิปัสสนาขึ้นมาแต่ที่ทําให้เหนื่อยโดยมากก็คือเป็นไปกับวิปัสสนาหรือการเจริญบางอย่างที่ที่เป็นอุปจาระที่ที่ไม่ได้เข้าฌานก็มีนะครับที่การเจริญแบบแบบน้อมไปเพื่อที่จะพิจารณาโดยที่ไม่มุ่งจะเข้าฌานก็มีนะเน้นการเจริญแบบน้อมไปเพื่อที่จะให้เมตตาเกิดแต่ว่าไม่ประสงค์จะเข้าฌานก็ได้นั่นเอง เรื่องนี้เป็นปริศนาธรรมที่ที่ต้องไปเจริญแล้วจะเข้าใจขึ้นเยอะนะไปแยกๆดูนะความคิดนี้มันเกิดเอ้นที่มันคิดนี้มันอะไรเนี่ยในสองอย่างเลยนะใช่ไหมว่านั่งแวบอะไรขึ้นมาสักอย่างนะแยกเอาเอ า, เอาทเวทาวิตั ก, กสูตรเนี่ยมาเป็นไม้บรรทัดวัดเลยนะมันจะเข้าอะไรบ้างเข้ามาในขันทวรวัเราต่อนะ วันนี้ให้อาจารย์บุญชูเขาสลับมั่งวันหลังใครเอามั่งจริงจริงมันจบแค่ช่องแค่เอวเลยที่เข้าเนะียนสะิบเลยนะกลัวไหมนะที่ที่กล่าวที่โรงแรมนั้ไม่เห็นสันเลยอะ่ะวิชาวิชามาในช่งองอยู่เลยก็เป็นนักขายมือเอกอยนะู่แล้วในข้อหนึ้อยสานะ มหาลิสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะกูตาคานศาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลนะนะีครั้งนั้นเจ้ามหาลีลิชวีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านปุรณกัสปะพูดอย่างนี้ว่านะ ก็ยกศาสดาสมัยพุทธกาลขึ้นมาศาสดาที่ปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่หลักๆเจดท่านด้วยกันนะสมัยพุทธกาลนะคนที่ปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้านี่มีอยู่เจ็ดท่านก็ปุรณกัสปะอธิตาเกสะกัมพลมคลคิริโคสารอะไรไ น, นะะนี่นะนีครนนาตบุตรแล้วก็สันชัยเวรัตบุตรเนี่ยนะก็มีอยู่หท่านแล้วก็พระพุทธเจ้าอีกท่าน มีอยู่เจดท่านนะนั้นในเจ็ดท่านนี้ก็คนสมัยนั้นก็ต้องมาแยกว่าไหนพระพุทธเจ้าแท้พระพุทธเจ้าเทียมเนี่ยนะก็ต้องแยกเอากันแล้วันมันก็ยกอ้างของศาสดาหนึ่งท่านคือปุรณะกสปะพูดอย่างนี้ว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยย่อมเศร้ามองเองไม่เออ เหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยย่อมบริสุทธิ์เองแปลว่าจะเศร้ามองหรือจะบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นของมันเองสุดแท้แต่โชคหรือว่าสนาหรืออะไรก็แล้วแต่จะเอามาอ้างกันขึ้นนะนะสะรุปแล้วสมมติว่าพูดแบบสำนวนนะมันนึกอยากโกรธมันก็โกรธมันนึกอยากมีเมตาก็มีเมตานะมันเกิดมันเองอะ่ะ น, นะยกให้อะไรก็เกิดเองอ่ะนะ เพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นพาธฐานก็เป็นเองอะ่ะถ้าจะไม่บรรลุ ก, ก็ไม่บรรลุกอ่แล้วแต่มันอะนะสะรุปไปแล้วแต่มันจะเกิดอะ่ะในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างไรก็มามาแยกดูนะเพราะรัฐที่นั้นเขากล่าวอย่างนั้นว่าเหตุปัจจัยให้สัตว์เศร้ามองบริสุทธิ์ไม่มีรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเพียรอะไรไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องไปเจริญก็ปล่อยชีวิตไปตามไปตามวันๆหนึ่งอ่ะนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหาเละเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์เหตุทั้งหลายมีสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยย่อมเศร้ามองเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยย่อมบริสุทธิ์เห็นแยกชัดนะระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาของปุรณะกัสสปะศาสนาปุรณกัสสปะปฏิเสธ เป็นเป็นกลุ่มอะวิริยะวาทีเนี่ยนะเป็นกลุ่มที่ไม่สันเสริญการเพียรไม่สันเสริญความพยายามเนี่ยนะเป็นกลุ่มอ า, อาเหตุกะทิฏิเนี่ยนะคือไม่มีเหตุปฏิเสธเหตุว่าไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยอะไรถ้าถ้าพูดถึงอาเหตุกะทิฏินะนัตถิกะทิฏิอะกิริยะทิฏิก็เท่ากับกล่าวแล้ว อันนั้นพวกนี้ก็ปฏิเสธกิริยะเนี่ยนะก็กลุ่มอาเหตุกาทิฏฐินักกาทิฏฐิอกิริยะทิฏฐินั่นเองก็กลุ่มมิจฉาทิฏฐิที่ที่ททททล่วงกรรมบทนะความคิดอันนี้ร่วงกรรมบทให้ผลนําเกิดได้ส่วนพระพุทธศาสนาเป็นกิริยะวาทีนะก็คื อ, คอกล่าวว่าการกระทํานี่มีผลนะวิริยะวาทีกล่าวความเพียร น, นี่มีผลกรร ม, มาวาทีว่ากรรมเนี่ยมี มีผลนะเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เศร้ามองมีอยู่เหตุปัจจัยที่จะทําให้บริสุทธิ์มีอยู่ถ้ากล่าวตามแบบทเวทาวิตตกสูเราบอกว่าปัจจัยให้เกิดกามวิตกมีอยู่ปัจจัยให้เนคขมวิตกเนี่ยมีอยู่ปัจจัยให้เกิดพยาบาทมีอยู่ปัจจัยให้เกิดอภพยาบาทมีอยู่เพราะฉะนั้นสัตว์จะเกิดกามมวิตกหรือว่าเนคขมวิตกก็อยู่ที่เหตุและปัจจัยเนี่ยนะก็อยู่ที่ปัจจัย ในสูตรนี้เป็นลักษณะทีเรียกว่าเวทละพอตอบมาอาศัยคําตอบมาเป็นคําถามต่อไปใ น, นลักษณะเวทละจะเป็นอย่างั้นะเวทละนี่อาศัยคือถามขึ้นไปเรื่อย ๆ, ๆไม่ใช่ว่าตอบเสร็จแล้วจะเลิกถามนะไม่ใช่อย่างอย่างสูตรนี้เหมือนกันอยู่ในลักษณะเวทละนะคำสอนของพระพุทธเจ้าประกอบไปด้วยองค์เ้าใช่ไหม สุตตคยะวยากรณาคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะพภูตธรรมเวทละเนี่ยคือเวทละเป็นสูตรกลุ่มนี่พอพอตอบตอบคำถามเสร็จเอาคำถามเอ่อเอาคำตอบมาเป็นคำถามเช่นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้ามองของสัตว์เป็นไนสะัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยย่อมเศร้ามองอย่างไรนะเอาว่าความเศร้ามองของสัตว์ในในในพุทธศาสนาเนี่ย เศร้ามองยังไงเศร้ามองด้วยอะไร น, นะสัตว์ทั้งหลายในในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยถือเศ้ามองเพราะเกิดในตระกูลตามรูปชั่วตัวดําแบบนี้หรือเปล่าจึงเรียกเศ้ามองไม่ใช่นะหมายถึงสัตว์เศร้ามองหมายถึงมีจิตเศร้ามองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความคําว่าสัตว์นี้เป็นโวหารคาถาเป็นคําที่จะต้องอธิบายอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคําว่าเศร้ามองในที่นี้หมายถึงบุคคล น, นั้นเนี่ยมีราคามี โทสะหรือมีโมหะราคะาโทสะโมหะเกิดนั่นแหละเรียกว่าเศร้ามองทีนี้ไอสัตว์ที่จะเศร้ามองหรือราคะโทสะโมหะเกิดเนี่ยเพราะอะไรก็จะกล่าวเหตุว่าดูก่อนมหาลิก็หากว่ารูปนี้จะเป็นทุกข์โดยทายเดียวรังแต่ทุกข์ตามสนองอย่างลงสู่ความทุกข์มิได้ประกอบด้วยความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงกำหนัดในรูปนีนะ คือรูปนะถ้ารูปทุกชนิดเป็นแต่อันิธารมหมดเลยเนี่ยนะจะมีคนชอบมันไหมไม่มีก็เพราะรูปเนี่ยเป็นสุขสุขตามสนองอย่างลงสู่ความสุขไม่ได้ประกอบด้วยทุกเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำหนดในรูปเพราะกำหนดจึงถูกประกอบเข้าไว้เพราะถูกประกอบจึงเศร้าหมองดูก่อนมหาลิ แม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้ามองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้ามองแม้ด้วยอาการอย่างนี้นก็นัยยะที่เหลือก็เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันถูกสูตรนี้ก็เท่ากับปัจจัยที่ทำให้สัตว์เศร้ามองเนี่ยก็แบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็นขันห้าก่อนนะว่า พูดถึงไอ้ความเศร้ามองก็เศร้ามองด้วยราคะเศร้ามองด้วยโทสะทั้งราคะและโทสะนั้นมีโมหะประกอบร่วมด้วยหมดเลยเนี่ยเนะี่ยทีนี้ถ้าหากว่าปกติราคะจะเกิดเพราะอะไรอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาถ้าโทสะจะเกิดเพราะ อนิถารมคืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาทีนี้ตัวอิทธารมอนิถารมอันนั้นคืออะไรที่จะทำให้เกิดราคะโทสะโมหะแบบนี้อารมณ์อันนั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็คือขันห้านั่นเองเนี่ยนะ